ส0สุขขาปฏิปทาและทุกขาปฏิปทาปฏิบัติมีสุขขาปฏิปทาและทุกขาปฏิปทาบางคนปฏิบัติลำบากบรรลุธรรมเร็วอย่างพระโมคคัลลานะบางองค์ปฏิบัติสบายบรรลุเร็วอย่างพระสารีบุตรบรรลุเร็วบรรลุช้าไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสแต่ขึ้นกับมีอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหนกุศลกับอกุศลไม่ล้างกันนะถ้าอกุศลมากก็ปฏิบัติแบบทุกขาปฏิปทาลาบาก ถ้าอากุสน้อยก็สุข้าปฏิปทาถ้าอินทรีแก่กล้าได้ผลเร็วเรียกว่าขิปปาพินยาถ้าอินทรีไม่แก่กล้าได้ผลช้าเรียกว่าทันทาพินยา